นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมรามาพระไยบูลอภิปุนโนจากวัดป่ารอนไหลโศกครับกับผมทันทะแพทย์นันทพงศ์โหนวิรุณครับวันนี้เราได้ดำเนินมาถึงครั้งที่สิบามไหมครับพระอาจารย์ตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงครั้งที่สิบหกครั บ, รบวันนี้มีหัวข้อธรรมอะไรที่น่าสนใจครับท่านต้องอัปเดตให้ท่านผู้ฟัง ทางพิจมภภาคออนไลน์เนี่ยทราบสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้วัดป่าดอนไหนโศกเนี่ยนะไดะ้รับรับอะ่ะคือเขาเอามาให้ใเราก็รับไว้ว่าให้<ะ>เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีแห่งที่ห้านะในในสายธรรมยุทธ์เพราะฉะนั้นก็จะมีในเขาเรียกว่ามหาเทรัสมาคมเนี่ยจะมีลิสต์หรือว่ารายการที่ ว่าสำนักไหนสำนักไหนเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดซึ่งลิสต์เนี้ยรายการชื่อสำนักเนี่ยก็จะไปอยู่ตามหน่วยราชการต่างๆเพื่อที่จะให้ข้าราชการหรือรัฐวิษาหกิจเนี่ยผู้หญิงเนี่ยสามารถลาปฏิบัติธรรมได้นะหนึ่งเดือนไม่เกินสามเดือนโเหมือนผู้ชายลาบวชอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใเหมือนผู้ชายลาบวชแป๊ะเลยแต่นี่ให้สําหรับผู้หญิงนะที่ต้องการลาไปปฏิบัติธรรมก็ได้โดยไม่คิดเป็นวันลา ก็อยู่ที่หัวหน้าจะอนุมัติหรือเปล่าแต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะทำได้ก็เหมือนผู้ชายลาบวชสามเดือนอย่างเงี้ยก็ก็อยู่ที่หัวหน้าอนุมัติแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะทำได้โน้หน่ายินดีแล้วก็หน้าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งครับอาจารย์แล้วก็ไอการที่จะเป็นศูนย์ปริปัธรรมเนี่ยเราก็ยังเป็นกรรมการในเขาเรียกว่าอะไรล่ะศูนย์ประสานงานของ ของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตภาคอีสานนั่นคือธรรมยุทธเป็นศูนย์ประสานงานที่จะทําให้การแนวทางการสอนการประสานงานอะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นไปในทาแนวทางเดียวกันซึ่งเราคิดว่าการที่เป็นกรรมการเนี่ยก็จะทําให้มีส่วนที่จะเรียกว่าอิทธิพลเนคือไปมีอิทธิพลเดียวนำเขาในเรื่องของการไปในแนวทางพุทธวจนะแต่ไม่รู้ว่ามากน้อยอย่างไรก็คงค่อยๆดูค่อยๆทําไปครับ ก็ขออนุโมทานาเลยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ไปประชุมกับทางคณะกรรมการที่<ะ>ราชบุรีวัดหลวงพ่อสดธรรมะหลวงพ่อสดธรรมกายรามอยู่ที่ราชบุรี<ะ>ได้ไปประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาสองวันก็จะมีการประชุมก<ะ>ันทุกๆสองเดือนสามเดือนหรือว่า เดือนเป็นเดือนอย่างนี้เพื่อที่จะกําหนดแนวทางอะไรต่อๆไปครับแล้วอย่างนี้เริ่มเริ่มที่จะปฏิบัติธรรมในในในแนวนี้เนี่ยได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคือจริงๆวัดป่าเราไหนส่งนี่เราก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมอย่าง ท, ที่ทราบกันทุกเดือนใช่ไหมครับใช่ทุกเดือนเราก็มีคอร์สหลีกเลนปฏิบัติธรรมอยู่แล้วครับทีนี้ที่อื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีแนวทางของเขาซึ่งในประเทศไทยเนี่ยทีเ่เราได้ประชุมกันเนี่ยก็ มีอยู่ห้าสายใช่ไหมสายอานาปานาสติสายพุทโธสายพองยุบสายรูปนามสายสมาระหังแล้วก็ยังมีสายนู่นนี่อีกหลายอย่างเลยรปริดย่อยปีอ่าซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเราก็เลยจะทําอย่างไรให้สายทั้งทุกสายเนี่ยสามัคคีกันใช่ครับมไม่ไมมแบ่งพักแบ่งพวกใช่ซึ่งแต่ละแต่ละท่านเนี่ยก็บอกว่าเอองั้นให้เป็นไปแนวตามตามแนวทางสติปัฏฐานก็แล้วกันอืมสติปัฏฐานสี่ ใช่ทีนี้ว่าใครจะสามารถลงบทเพียนชนะได้ใกล้เคียงของพระพทธเ้ามากที่สุดก็แล้วแต่สำนักสนักไปอย่างน้อยโดยอัฏฐะเนี่ยก็ยังสอดคล้องกันอยู่ก็คิดว่าเขาค่อยทำค่อยไปหรอกมอรดพ่ใช่ครับนะใช่ครับผมว่าแนวทางคือค่อยๆค่อยๆประสานประสานแล้วก็แนวทางค่อยๆโน้มเข้าหาสิ่งที่เป็นเรียกว่าพุทธวจนะพุทธวจนะนะครับแล้ ว, แ ล, วแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ย ความสามัคคีของพุทธบริษัทเนี่ยสําคัญมากนะถ้าเราจะมามัวแต่ว่าเอยเธอสายนั้นฉันสายนี้นะเถียงกันอยู่ได้ว่าทําต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทําไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ไปไม่รอดแน่นอนใช่ครับผมเห็นด้วยครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเอาเขาทําถูกฉันทําผิดฉันทําไม่ถูกห ร, รือได้ยังไงเราก็ค่อยๆมาปรับปรุงกันไปนะเปิดกว้างจะทํางานใหญ่ต้องใจกว้างใามาก็มองว่าอย่างนี้อนะ เหมือนเหมือนมีคำทางโลกครับท่านว่าแสวงหาจุดร่วมสมวนจุดต่างโดยพุทธวจนะก็มีนะหมอรัตพง์แล้วครับคืออย่างเรื่องของสายอะไรต่างๆเนี่ยพรบพุทธเจ้ายังเคยพูดบอกว่าถ้าถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าเอคนนี้ก็พูดอย่างนี้คนนั้นก็พูดอย่างนี้ แต่บทเพียนชนะไม่เหมือนกันนะแต่อัฏฐะเดียวกันเออเราอย่ามาทะเลาะกันเลยให้สามัคคีกันดีกว่าอเพราะฉะนั้นในสายทั้งห้าสายเนี่ยบทเพียนชนะเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะพุทธเจาบอกไม่ต้องมีคำบริกรรมอันนี้จริงๆรงพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดนะนะก็แค่บอกไม่ได้พูดถึงคําบริกรรมเลยเพราะฉะนั้นจะมีหรือไม่มีไม่ได้พูดถึงเพราะฉั้นถ้าเขามีแล้วให้ได้มีสติเขาไม่มีแล้วให้เกิดสติเนี่ยโดยอัฏฐะเนี่ยมันก็ พอไปกันได้ใช่ไชับแต่โดยบทเพียนชนะอาจจะเหมือนไม่เหมือนเปะ๊ะครับเพราะฉะนั้นนี้เมื่อโดยอัฐะไปกันได้เราไม่ต้องตีกันแล้วนะเราควรจะสามัคคีกัน อ, อแล้วก็ภายของศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่ได้อยู่ภายนอกไงมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะมาโจมตีศาสนานู้นเขาเอาไฟมาใส่มันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่<อ>คนภายในนี่แหละจะทําให้แตกกันเองอืความสามัคคีในหมู่คณะสําคัญมากใช่ไหมครับใช่ไม่มีใครทําให้สงแตกกันได้นอกจากสงออนะอ่า อันนี้เป็นพุทธวจนะใช่ไหมครับว่าเพราะฉะนั้นเวลาอเราต้องสามัคคีกันอ่ะอย่าแตกกันเองแล้วก็เหมือนกับขุ่ยไผ่ค่าต้นไผ่หรือผลค่าค่าต้นต้นไม้ผลไม้ค่าต้นไม้อย่างเงี้ยนะอืเราก็ต้องคอยระวังตรงนี้คนในศาสนาพุทธเองก็เหมือนกันอย่าด่าคนอื่นอย่าว่าคนอื่นเวลาเราไปดูเห็นคุณนู้นทําไม่ถูกคนนี้ทําไม่ถูกคุณด่าคุณว่าเขาเนี่ย คุณเดินสวนทางกับที่พระเจ้าสอนเลยอถือว่าคือกุศลในจิตใช่ถือว่าเป็นผู้ที่เอาพระศัสดาเนี่ยโดยความเป็นข้าศึกเป็นศัตรูเพราะว่าถ้าใครเนี่ยนะไม่เงี่ยหูฟังไม่ไม่สดับสิ่งที่พระเจ้าสอนอันนี้เป็นศัตรูแล้วนะอันที่สองรประพฤติหลีกเลี่ยงไม่ประพฤติตามที่พระเจ้าสอนอันนี้ก็ชื่อว่าศัตรูรนะพระเจ้าบอกอย่าโกรธอย่าด ah ่าแต่ถ้าเราไปโกรธเราไปด ah ่าเราไม่พอใจอันนีค้คุณชื่อว่าเอาพระพุทเจ้าโดยความเป็นศัตรู อ๋ออืมอันนี้ลึกซึ้งนะครับแสดงว่าถ้าเราเจอสิ่งที่ไม่ไม่เป็นที่ถูกใจหรือ<ช>คิดว่าไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยให้เราให้เรามองกลับมาที่ตัวเราใช่ไหมครับ<ช>ว่าตัวเรานั้นได้ทำเอะอากุศลในจิตหรือเปล่าใช่ ใ, ชหให้ให้ปฏิบัติตามมรรคมีงองแปดเราเห็นว่าคนนี้เขาไม่เห็นปฏิบัติตามพระวจนะเลยนะจะไปด่าเขาเนี่ยคุณอย่าทา ถ้า ค, คุณดา่าเ <c oughs> มืม่อไหร่คอมเมนต์ๆหลุดออกจากปากนี่ยนะสแสดงวา่าใช่คุณชื่อว่ายิ่งเดินสวนทางกับที่พระเจ้าสอนเลยเป็นคนที่ทําให้าศาสนาเสื่อมด้วยตัวเองอืคิดว่าคุณเอนทําเสื่อมตัวเองทําเสื่อมเองใช่ครับใช่ใช่ ใ, ชใชม่โอ๋วันนี้ปฏิบัติได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยด้วยอ่ามุมมองที่เรามองอย่างนี้เนี่ยก็เลยมีความคิดว่าเออเราก็ค่อยๆทําไปเนาะให้หมู่ทรงน้อยได้สามัคคีกัน เราไม่ด่าใครไม่ว่าใครครับใช่ไหมใครทําดีอยู่แล้วก็ยังดีนะถึงแม้เขาจะทําไม่ดีเราก็ยังควรอนุเคราะห์เขาด้วยปิยวาจาด้วยการพูดด้วยที่ดีด้วยทานอยู่ดีนะไม่มีอะไรที่เราจะต้องมาบิดเบียนซึ่งกันและกันก็ด้วยคอนเซปที่พระเจ้าสอนอยู่แล้วนะให้อดทนมีอะไรให้อดทนครนะมีอะไรให้มีเมตตาจิตให้มีความรักใครเอ็นดูอย่าเบียดเบียนกันทนั้นเองอเราจะไปรอด ที่มีพุทธวจนะบอกว่าการอดทนเท่ากับเราอดทนรักษาตัวเราก็เท่ากับรักษาผู้อื่นไปด้วยใช่ไหมครับใช่นี่แหละที่ชื่อว่าเมื่อรักษารักษาผู้อื่นก็คือการรักษาตนด้วยนั่นคือรักษาผู้อื่นด้วยความอดทนด้วยความไมเ่เบียดเบียนด้วยมีเม่นตาจิตด้วยความรักให้เอ็นดูกรับ <valley> ชื่อว่ารักษาผู้อื่นโดยวิธีสี่วิธีนี้ก็ชื่อว่ารักษาตนด้วยครับแ<ภ> <Hawaii> มเล็กซิงครับ เอาเกิดมาตั้งยืดยาแล้วหมอแลทอพองครับวันนี้เร า, าที่ได้ทิ้งท้ายจากคราวที่แล้วว่าเราจะพูดถึงหัวข้อธรรมหัวข้อใหญ่เลยว่าปฏิจจสมุปบาทครับทา่านฟังดูละลึกซึ้งเหลือเกินลึกซึ้งครับแต่รู้สึกคือในในอดีตเนี่ยตัว <c oughs> อย่างตัวผมเองเนี่ยได้ยินปฏิจจสมุปบาทแล้วโหนึกถึงความยากความซับซ้อนแต่ปัจจุบันคิดว่าไม่นะครับ ฟังแลวคนลุกเลยนะท่านผู้ฟังบางคนนะครับอาจจะเป็นหัวข้อทำอันใหม่สำหรับบางท่านแต่ว่าเข้าใจว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คุ้นเคยนะครับพระอาจารย์ครับอืมก็เลยก็เลยอยากจะกราบเรียนถามว่าอเอาหัวข้อทำของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเริ่มต้นแล้วก็คำนิยามรายละเอียดต่างๆที่เราจะพูดพูดกันไปอีกหลายหลายตอนเนี่ยใช่ก ก็ะจะนานจากพระอาจารย์ครับปฏิจจสมุปบาท <c oughs> ฟังตอนแรกอาตมาได้ก่อนที่จะมาะศึกษาเรื่องพุทธวจนะเนี่ยเราทิ้งเล่มนี้ไว้เป็นเล่มสุดท้ายที่เราอ่านเลยนะอาตมา <c oughs> ทิ้งเล่มนี้เป็น <c oughs> เล่มสุดท้ายที่อ่านเพราะว่ามันหนาแล้วมันก็หนักแล้วมันก็ยังมีเรื่องอื่นที่มันสนุกมากกว่า <c oughs> ก็คือเรื่องของอริยศาสตร์เป็นต้นเรื่องของพุทธประวัติอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องของกลุ่มทรัพย์จากพระโอษฐ์ทีนี้พอ <c oughs> อ่านพวกนั้นเก็บหมดเรียบร้อยละสี่เล่มแล้วก็เลยมาลุยเล่มที่ห้านี่คือ ป, ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอ์ใช่อันแป้นปตอนแรกก็เลือกเรื่องที่อ่านเข้าใจก่อนครนะซึ่งทําให้เราได้รับทราบขอ้อมูลว่าเอ๊ะจริงๆปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเป็นเรื่องที่จริ ง, รงๆอยู่ตั้งแต่เร า, เารู้คําสอนพระเจ้าเลยด้วยซ้ำนั่นคือความเป็นเหตุเป็นผลครับอซึ่งถ้าแปล เป็นภาษาไทยก็คือว่าอาศัยสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า dependent origination dependent origination dependent origination ก็คือว่าทำที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นครับอาศัยกันและกันเกิดขึ้นยังไงก็คือย่างไงครับตรงนี้ท่านภาษาบๅษีเนี่ยเปรียบเทียบกันให้เหมือนกับกอไผ่สองกอพิงกันอยู่ต้นอ้อสองต้นพิงกันอยู่ถ้าใคร เคยไปตามบ้านนอกนะเขาจะมีไอเขาเรียกว่าอะไรปลูกปลูกมันสัมปะหลังอ่ะเขาจะมีกิ่งมันสัมปะหลังเนี่ยพิงกันอยู่เหมือนเวลาเข้าไข่ลูกเสือเนี่ยเอาไม้พลามาพิงกันอย่างนั้นนะะถ้าอันใดอันหนึ่งหลุดใช่ไหมอีกอันนึงก็ล้มล้มไปเลยอันนี้คือแค่สองอันพิงกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ได้เคยยกตัวอย่างของเรื่องแสงกับฉาก แปลว่าถ้ามีแสงกับฉากเนี่ยมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสมมุติว่าถ้าเราไปอยู่ในอวกาศมืดหมดเลยมืดหมดเลยไม่เห็นอะไรเลยนะถึงแม้มีตาก็ไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นแสงเพราะว่า<ม> เ, เราจะรู้ได้ไงว่าข้างหน้าเรามีแสงหรือเปล่าเพราะมันมืดหมดคุณจะรู้ได้ไงว่าข้างหน้ามีแสงก็ต่อเมื่อมีสิ่งวัตถุอยู่ข้างหน้าซึ่งซึ่งพอมีวัตถุแสงมากระทบสะท้อนเข้าตาเราออนี่ไง มีแสงควบคุมประกอบเพราะรเราเห็นวัตถุอยู่แต่ถ้ามันไม่มีแสงแต่มีวัตถุอยู่ข้างหน้าเราก็จะไม่เห็ น, หนวัตถุนั้นอยู่ดีเพราะวาความที่มันไม่มีแสงใช่ครับเพราะฉะนั้นแสงกับวัตถุเนี่ยต้องอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นได้ออันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างข้อธรรมที่จะบอกว่าธรรมะเนี่ยต้องอาศัยซึ่งกันและกันจึงเกิดขึหตุมีเหตุเกิดมีเหตุที่จะอเกิดขึ้นถ้ามีแสงอย่างเดียวนะไม่มีไม่มีวัตถุ ไม่เห็น <c oughs> ก็ไม่รู้ว่ามีแสงใช่ครับถ้ามีวัตถุอย่างเดียวไม่มีแสงเราก็จะไม่รู้ว่ามีวัตถุใช่ครับก็จะไม่รู้ว่ามีวัตถุ <c oughs> ก็ต้องมีทั้งสองอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันนะเพราะนั้นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทแล้วมันอะไรบ้างซึ่งซึ่งกฎของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระพุทธเาใช้คาว่าอิทปปัจยตา อ๋เริ่มยากอีกครับอิทับ <c oughs> ปัจจยตา <c oughs> แปลว่าเอ่อเหมือนกับทำทำเนี่ยขึ้นอยู่กับเหตุเดี๋ยวคำคำสวยๆเดี๋ยวผมนึงนึกไม่ออกแต่ว่าเคยเคยท่องได้แต่ว่ า, าเรื่องอิทับปัจจยตาก็คือว่าความเป็นไปของมันนั่นแหละพู ง, ง่ายนะคือเอเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีครับเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับเออ่เมื่อ เพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นครับเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นย่อมไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงดับไปเสวยบางมาใช้คําว่าสิ่งนี้กับสิ่งนั้นนะเพราะว่าในรูปของภาษาบาลีมันต้องเป็นสิ่งนี้กับสิ่งนั้นถ้าเราใช้กับสิ่งนี้กับสิ่งนี้เนี่ยตอนแรกเราก็ฟังเราก็งงเอ้สิ่งนี้กับสิ่งนี้มันสิ่งเดียวกันหรือเปล่าซึ่งไปดูในรากศัพท์เออเป็นคนละสิ่งเพราะฉนั้นแทนที่จะพูดให้ถูกต้้้องงงงงกพูดว่่่่่าาาสสิินนนนีััซึใภษฝร แลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็แปลคําว่า this กับ that ก็คือสิ่งนี้กับสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีใช่ครับ because this exists that comes to be นะเพราะว่าสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้มันเป็นคนละสิ่งกันก็เลยต้องบอกว่าสิ่งนี้กับสิ่งนั้นใช่ครับเรื่องตรงนี้อีกนิดหนึ่งทําความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของ ปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึ้งขึ้นไปก็คือว่ามันก็เป็นคู่นี่แหละคู่ของสิ่งนี้กับคู่ของสิ่งนั้นสิ่งนั้นใช่ครับใช่ครับเอ๊ะมันจะมีนิยามพื้นฐานของปฏิจจสมุปบาทอยู่สี่ข้อใช่ไหมครับใช่อใชอิทัปัจยาตาก็จะเป็นข้อหนึ่งที่มีค ว, าว่าตัทธตาความเป็นเช่นนั่นเอง อ, อวิทะัทธตาความไม่เป็น สิ่งอื่นอืแล้วก็อนัญญาธาอืุใช่ไหมครับแล้วก็อิทัะปัจจยตาอันนี้ตรงกันใช่ไหมครับถูกต้องครับคือทั้งหมดเนี่ยก็คือเพราะความที่สิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีครับเอ้เราต้องอมีสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดก่อนจึงจะมีสิ่งนี่เกิดขึ้นเอ๊ะแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรครับท่านเราก็อย่งต้องมีไข่ไงจึงจะมีไก่ออกมาได้ครับครับแต่ถ้าไม่มีไก่นะไข่ก็ไม่มี แปลงว่ามันก็จะไปเหมือนหาหาต้นไม่ได้หาปลายไม่เจออย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็วนไปเรื่อยๆเอ๊ะแล้วสรุปว่าไก่กับไข่นี่อะไรเกิดก่อนกันก็ตอบไม่ได้ครับพี่เพราะว่ามันวนเวียนเหมือนงูกินหางวนวนวนว น, นเรื่องเนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของปฏิสมบูรบาทเนี่ยในลักษณะที่เป็นแค่การทํางานของสิ่งนี้กับสิ่งนั้นซึ่งสิ่งนี้กับสิ่งนั้นเนี่ยถ้าเราพูดเป็นตัวแปรก็คือ x กับ y ใช่ครับซึ่ง x กับ y เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราคราวนี้ในสมการคราวนี้เราใช้ x เท่ากับความรู้สึก y อาจจะเท่ากับตัณหา x เท่ากับผัสสะ y ก็อาจจะเท่ากับเวทนา่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ x กับ y มันสิ่งนี้กับสิ่งนั้นก็เป็นตัวแปรที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่หลักการก็คือแค่นี้เองเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิด เพราะนั้นตรงเขาเรียกว่าลอจิกตรงเนี้ยสมการของมันตรงเนี้ยจึงเป็นเหตุที่ทำให้เวลาเราแปลว่าสิ่งต่อตอนนั้นนั้นๆๆเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ทั้งหมด12บคู่สิบ12ขั้นตอนอ่าสิบสองคู่จับเป็นคู่คู่สิบสองคู่ใช่ไหมครับ12คู่ครับคู่แรกนะคือคือธรรมที่มันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมด สิบสอคู่หมายความว่าอันนี้อาศัยอันนี้อันนี้ก็อาศัยอกนอันหนึ่งอย่างเงี้ยนะก็อาศัยกันไปเรื่อยๆคู่แรกก่อนที่จะไปคู่แรกต้องอธิบายเดี๋ย ว, วก่อนก่อนนิดนึงได้ไหมครับท่านอาจารย์คือมีเท่าที่ศึกษาดูมีความเชื่อมโยงระหวา่างปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจสี่เนี่ยความความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นยังไงครับท่านอ <possibility>. ๋อพระพุทธเจ้าก็บอกไว้ชัดเจนว่าอริยสัจ4เนี่ยเป็นทางสายกลางครับปฏิจจสมุปบาทก็เป็นทางสายกลาง โดยใช้บนพยัญชนะเดียวกันเลยแล้วก็ยังพูดถึงคือแทนกันด้วยแทนที่ว่าจะใช้กับอริยสัจสีนะทุกสมุทัยนี้เราอมากก็แทนกันไปเลยด้วยปฏิจจสมุบาทนะแต่ว่าอธิบายกันคนละแง่มุมไหมครับหรือว่าปฏิจจสมุปละเอียดกว่าแสดงกลไกย่อยลึกซึ้งยิบอย่างนี้มไหมครับจริงๆแล้วก็เป็น เรื่องผู้บุรีชาวว่าไว้ยังไงล่ะมรณะสปงว่าก็เหมือนกับว่าตัวปฏิจจสมุปบาทเหมือนกับเป็นแสดงการเกิดคือการเกิดการดับเพราะเหตุเหตุแห่งการเกิดเหตุแห่งการดับเหมือนเป็นเป็นอริยสัตว์ใหญ่อย่างนั้นใช่ไหมครับเท่าที่ศึกษาในจากพระโอษฐ์เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนจะเรียกว่าอริยสัตว์ใหญ่ซึ่งแสดงกลไกการเกิดการดับของของตัวอ่าเขาเรียกตัว สมุไทยกับนิโรธนิโรธกับมาร์กเนี่ยก็จะเป็นส่วนดับใช่ครับใช่ครไหมทุกสมุไทยก็จะเป็นส่วนส่วนเกิดสองอย่างใช่ครับใช่ครับใช่ครับอะไรอยากจะโยงโยงต้องโยงความสัมพันธ์อันนี้ท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของอริยสัจสีเนี่ยก็ก็คือปฏิจจสมุปาณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นมาร์กแปดก็คือปฏิจจสมุปาณนั่นเองอริยสัจสี่ก็คือปฏิจจสมุปาณ์นั่นเองครับเรื่องเดียวกัน อันนี้เป็นประเด็นนะหมอนรัตพงศ์คือเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องผัสสะเออพูดถึงเรื่องอริสซีมักแปดอะไรเนี่ยไปพร้อมๆกันกับปฏิจจสมุปบาทถูกไหมใช่ครับแต่เราไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าพูดเรื่องอริยปฏิจจสมุปบาทไปกับขันธ์ทั้งห้าไม่มีไปหาเลยไปหาไปท้าด้วยให้เพราะเพราะเพราะเห็นอันใดครับท่าน นั่นนะสี่ห้าก็จะสมบูบา์บการขันห้าไม่มีบางคนาจจะบอกว่าขันห้านี่มันอยู่ในนามรูปนี่แหละไปดูความหายความหมายรายละเอียดไม่ใช่นามก็คืออะไรก็เดี๋ยวจะค่อยลงรายละเอียดแต่ว่านามรูปที่อธิบายเนี่ยมันมันคนละส่วนกันกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันคนละเรื่องกันเป็นเจตนาภาษามนุษการในคุนกันเพราะฉะนั้น อาจจะบอกว่ามันคืออยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ถูกอื hmm. ซึ่งตรงนี้ oh, <okay. S 1> จะอธิบายไปในตอนเรื่อยๆไปอะตรงนี้อาจจะต้องกินเนื้อความสองตอนว่า<ช>จริงๆแล้วเนี่ยการทํางานของขันห้าที่ปริชาพูดถึงอะในโลกเราเนี่ยก็แบ่งแค่ห้าอย่างนี่แหละแบ่ง<ช>เป็นก อ, กองได้ห้ากองใช่รับแล้วก็ถ้าเราจะพูดรายละเอียดเนี่ยขันห้าเนี่ยพูดเนี่ยมันจบแล้วอธิบายในตัวมันเองว่าการทํางานของมันเป็นอย่างนี้ แ ต, แต่ถ้าคุณจะอธิบายให้มันรายละเอียดลึกซึ้งลงไปเนี่ยคุณต้องใช้ปฏิจจสมุปบาทใช่ครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าอันใดอันหนึ่งเนี่ยพูดอันเดียวก็พ อ, อไม่ต้องพูดซ้ากันเพราะมันคือเรื่องเดียวกันครับอืมอืมอื ม, อมได้ได้ได้เพราะฉะนั้นเราจะ อ, อธิบายเรื่องนี้ในรายละเอียดเข้าไปนะอาจมาจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเอ๊ะถ้าเราอธิบายแค่สี่ขั้นตอนเนี่ยคู่ของแค่คู่เดียวของในขันตั้งห้าเนี่ยมันก็สามารถอธิบายการทํางานของปฏิจจสมุปบาท ได้โดยทั้งหมดอย่างนี้นะครับนี้จะค่อยอธิบายไปเรื่อยเเดี๋ยวค่อยๆครับลงในรายละเอียดตามตามต่อไปครับเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือความเป็นเหตุเป็นผลเท่านั้นเองครนะแล้วก็ไม่มีอะไรในโลกที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเองจ่มาทุกอย่างต้องมีเหตุหมดมีเหตุเหตุเกิดหมดสมุทัยใช่ครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากหมอรัตพงศ์คิดดูนะเอแค่แค่พระอัสสชิเนี่ยบอกพระสารีบุตร บอกว่าเออเนี่ยอพระสมณะเนี่ยตรัสถึงทําทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุดับไปผลก็ดับไปแค่เนี้ยพระษาริบุตรอ ะ, อะบรรลุบรรลุเป็นพระรนันนะเอ้ยขอไปอบรรลุเป็นชาดาบั น, บนแค่ความเป็นเหตุเป็นผลง่ายๆอ๋อมันต้องมีเหตุมันไม่ได้อยู่เกิดขึ้นเองโถเอ้ยเราไม่น่าโง่เลยอืแค่นี้เองเหมือนง่ายๆเลยนะครับท่านอ๋มันจริงๆริะแค่นี้เองแค่แบบ ครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญใครก็ตามที่จะบรรลุสวัสดาบาญเนี่ย <c oughs> ก็จะมีความเห็นในเรื่องของอริยะญาญธรรม <c oughs> คือปฏิจจสมุปบาทตรงนี้โ <c oughs> อครับอท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งงงว่าเอ๊ะทุกคนที่บรรลุสสดาบาญเนี่ยจะต้องสามารถท่องได้เลยเหรอว่าทั้ง12ท่านตอนเพราะมีอวิชาเป็นปันจจัยจึงมีสังการมันไม่ใช่ <c oughs> ไม่จําเป็นไม่ใช่อย่างนั้นเลยคนละเรื่องกันเลยอริยะญ <c oughs> าญธรรมเน <c oughs> ี่ยคือความเข้าใจในความเป็นเหตุเป็นผลของมันตรงนี้แล้วนั่นเองว่ามันต้องมีเหตุ เพราะมีเหตุมันถึงมีผลไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลแต่ความเข้าใจตรงนี้แหละคือปฏิจจสมุปบาทอืใช่ครับเข้าใจทุกสิ่งมีเหตุเกิดทีนี้พระพุทธเจ้าเวลาบรรยายธรรมเนี่ยเวลาสอนธรรมะเนี่ยต้องรัดกลุ่มนึกออกไหมเหมือนฤาษีบะลือเนี่ยฮั่นนาดสีจะตะคุบอยู่ต้องไปพลาดเพราะฉะนั้นเวลาอธิบายธรรมะเนี่ยต้องลึกซึ้งบอกไปเลยว่า อ๋อเหตุผลเนี่ยมันมีอย่างนี้อย่างนี้มีอะไรบ้างที่เป็นเหตุเป็นผลกันมีอะไรบ้างที่เป็นเหตุเป็นผลกันมีอะไรบ้างที่เป็นเหตุเป็นผลกันแต่หลักจริงๆก็ค like uh ือความเป็นเหตุเป็นผลแค่นั้นเองใครก็ตามที่เข้าใจหลักความเป็นเหตุเป็นผลนี้แล้วก็เป็นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจะสามารถเข้าใจในความหลักเป็นหลักเหตุหลักผลตรงนี้ได้อาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นเครื่องที่ทําให้เราเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผล ของสรรพสิ่งในโลกนี้ได้เท่านั้นแหละทั้งทั้งรูปทั้งนามหรือว่าทุกทั้งคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกอะ่ะถ้าคุณคเข้าใจหลักความเป็นเหตุเป็นผลของขันทั้งห้าได้นะแค่นั้นแหละนนะั้เป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีความตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าไม่มีพบที่แปบดบทันทีอืมบรรลุนะโสดาบันใช่แค่เข้าใจตรงนี้เองนะครับโอ้โหที่ฉันเกิดมานี่ไม่ใช่เพราะว่าเ อ, อ, อยู่ๆมันเกิดขึ้นมาเอง มันมีเหตุมาก่อนมีเหตุแห่งการเข้าใจแค่นี้เองถ้าเราดับเหตุนก็ดับผลได้นี่คือเกินเรื่องของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทครับน่าสนใจนะครับท่านจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่โหยิ่งปลายทางคือสามารถบรรลุเป็นอริยบุคคลได้เนี่ยน่าสนใจไหมครับท่านผู้ฟังแน่นอนแล้วนอกจากนี้นะถ้าใครฟังอยู่เนี่ยแล้วต้องการที่จะให้พระธรรมเนี่ย ยังยืนต่อไปได้เนี่ยนะการม า, าคุยการอภิปรายธรรมวิจาร์ในเรื่องของปฏิเสธสมุบาทเนี่ยจะทำให้พระศาสนาเนี่ยตั้งอยู่ได้นานด้วยอพระเจ้าพูดถึงรรพระเจ้าพูดถึงสิ่งสองอย่างที่จะทำให้เข า, าเรียกว่าเรื่องที่เราควรทำสังคีตินะสังคีติคือการเอามาวิจารการเอามาทำสังขยาณาการเอามา อ่าคุยกันให้เข้าใจกันให้ถูกต้องเนี่ยให้มีความเข้าใจกันให้ถูกต้องสองเรื่องเนี่ยที่ทําแล้วเนี่ยโอ้โหศาสนาจะเจริญแน่นอนเรื่องแรกคือเรื่องของอายตนะอ๋ออายตนะที่เรารูจักคืออายตนะ6อย่างนี้ใช่ไหมผัสสนี่แหละเป็นเรื่องที่สําคัญครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี่แหละอ๋อครับสองเรื่องใหญ่สองเรื่องเนี้ถ้าเอามาคุยกันสังคีติการเอามาสากัชฉาอามาอภิปรายอามาวิจารเอามา สนทนากันบ่อยๆเนี่ยเอามาทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันเนี่ยแศา ส, สนานี่เจริญแน่นอนช่วยพระพุทธเจ้าหมุนธรรมจักด้วยครับเหตุแห่งความเจริญของพระพระสัตยธรรมใช่ใช่เพราะฉนั้นเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือปฏิจจสมุปาคือความเป็นเหตุเป็นผลธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างี้นะอันดับแรก หลักการของเรื่องนี้ก็คือมีคแค่ง่ายๆที่สุดเลยก็คือว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นจึงมีงิเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีอ่าเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นใช่ไหมก็คแค่นี้เองอะไรบ้างที่มันเกิดเกิดเนี่ยมีมีเนี่ยเอาเอาง่ายง่ายทําไมเราถึงอา่ารู้สึกชอบหรือไม่ชอบอะไรอืมครับ ความรู้สึกขึ้นตลอดเวลาเลยความรู้สึกที่เราชอบหรือไม่ชอบอะไรเนี่ยวันนี้ไปกินก๋เตี๋ยวหมูปิ้งเออชอบตอนกลางวันมากินเกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวไม่ชอบไอ้ทาไมมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเพราะอะไรอะไรมีความชอบหรือไม่ชอบจึงมีอืมแสดงว่ามีเหตุเหตุแเองตอบตอบแทนท่านผู้ฟังเลยได้ไหมครับตอบเลยก็คือพอใจหรือไม่พอใจครับอ่า เพราะมีความความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกคือชอบหรือไม่ชอบถูกไหมความรู้สึกตรงนี้คือเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือสุขเวทนาบ้างทุกเวทนาบ้างไม่ชอบเว้ยทุกเวทนาบ้างหรือว่าอ่ะกินสลิมแล้วรู้สึกเฉยเฉยอ่ะทุกขมสุขกะเวทนาเออคือความรู้สึกที่เฉยเฉยไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขครับทีนี้ความรู้สึกตรงเนี้ยทําไมเรามีขึ้นมีขึ้นเพราะอะไร เพราะอะไรมีความรู้สึกจึงมีคำตอบก็คือมีอายตนะเพราะมีผัสสะจึงมีความรู้สึกครับผมใช่ผัสสะนี่คือสัมผัสเพราะมีสัมผัสจึงมีความรู้สึกอ้าวเรามีสัมผัสทางลิ้นไงสัมผัสทางลิ้นในข้าเหนียวหมูปิ้งเราจึงมีความรู้สึกว่าเออเราชอบขนาเหนียวหมูปิ้งไว้เรามีผัสสะทางลิ้นในสลิม เราจึงมีความรู้สึกว่าเออเราไม่ชอบคือไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขครนะเรามีสัมผัสทางลิ้นในเรื่องของบะหมี่เกี้ยวครับเราจึงไม่ชอบอย่างนี้นะหรือเรามีได้ยินเสียงเพลเงนะคือสัมผัสทางหูทางหูรเราก็เลยชอ บ, บแต่ถ้าเรามีสัมผัสทางกายอากาศร้อนเราก็เลยไม่ชอบ ไม่ชอบครับเพราะรมีผัสสะจึงมีเวทนาครับอย่างนี้ตอนนี้ก็มีศัพท์ใหม่คือคําว่าผัสสะถ้าเกิดเป็นผู้ฟังหน้าใหม่นี่พระอาจารย์ช่วยขยายความคําว่าผัสสะนิดนึงได้ไหมครับผัสสะก็คือสัมผัสนั่นเองอ๋อผัสสะสัมผัสมีทางไหนได้บ้างสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีได้หก่า ง, างใช่ครับผมครับ เพทนาความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกเกิดขึ้นได้ทั้งหมด6ทางนะคือรู้สึกเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเช่นเราเห็นผู้หญิงเนี่ยสวยสวยหรือผู้ชายหล่อหล่อเห็นรูปทางตาถูกไหมครับครับโอมันมีความสุขทางตาเกิดขึ้นทันทีความสุขตรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่หูนะแต่เกิดขึ้นที่ตานะใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะคู่กัน6อย่างคู่กับ6อย่าง ความสัมผัสทางตาเกิดขึ้นนะครับสัมผัสทางตาเกิดขึ้นก็จะทําให้มีความสุขต่างๆครับสัมผัสทางหูเกิดขึ้นจะทําให้มีความสุขทางหูครับอย่างนี้ซึ่งทั้งหมดมันก็รู้มาถึงใจนั่นแหละโอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ครับทกทางทีนี้เรื่องภาษาเนี้ต้องลงลารายละเอียดเล็กน้อยอสักนิดหนึ่งครับผมว่ า, วา จ, ะจะได้ยินกันบ่อยภาษาภาษาภาษะเนี่ยก็คือมันเกิดจากองค์ประกอบสามอย่าง นั่นคือองค์ประกอบของอัยตนะภายในนัคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างอัยตนะภายนอกคือรู ป, รปเสียงกลิ่นรสนสัมผัสแ ล, และธรรมารมรและอย่างที่3มคือวิญญาณคือจิตของเราก็ไปรับรู้หมายความว่ายังไงหมายค่ามอย่างบางทีเราอ่านหนังสืออยู่เรารใช้สัมปัตย์ทางตาถูกไับทําให้เกิดการรับรู้ทางตาเกิดขึ้นก็มาที่ใจเราใช่ป่ะและระหว่างนั้นเนี่ยบางทีคนอื่นเรียกเรา แม่เรียกคนอื่นเรียกภรรยาเรียกหัวเรียกลูกเรียกแต่เราไม่ได้ยินหรอกจนเขาเรียกครั้งที่4คสี่อาจจะแม่แม่จนตั้ง4ี่หครั้งแล้วเราถึงเพิ่งจะได้ยินถามว่าเสียงมีไหมตั้งแต่ครั้งที่1นึงถึงครั้งที่3ามมีครับมีหูเรามีไหมมีครับหูก็อยู่ตรงนี้ก็จับดูก็ได้ก็มีถ้่อหนึ่งครั้งที่สแต่ไม่มีองค์ประกอบที่3มคือเรื่องของจิตที่เข้าไปรับรู้เสียงที่เกิดขึ้นทางหูก็จึงไม่มีสัมผัสทางหู แ ส, สดงว่าวิญญาณก็คือจิตนั่นเองถูกไหมครับวิญญาณจิตหรือว่าอะไรมีโม โ, น, โนใช่ไหมครับคำเหมือนอสามอย่างเนี้รวมกันจึงเรียกว่าสัมผัสหรือผัสะสะสามอย่างนี้รวมกันจึงเรียกว่าผัสสะผัสสะก็คือมีอายตนะภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอืพอกระทบกันแล้วก็มีวิญญาณ ก็ไปรับรู้ถ้าทางตาก็คือวิญญาณทางตาหูก็คือวิญญาณทางหูใช่ไหมครับใช่วิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางิ้นทางกายทางใจนี่คนละดวงกันแล้วนะครับวิญญาณทางตาก็ทางตาวิญญาณทางหูก็ทางหูเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าเอ๊ะเราไปดูหนังเนี่ยครับเราไปดูทีวีดูหนังดูหนังในโรงภาพยนต์เนี่ยหูเราก็ได้ยินเสียงตาเราก็เห็นรูปไปพร้อมๆกันได้เพราะมันคนละวิญญาณกัน อ๋อมันเกิดดับเกิดดับงั้นแหละครับท่านเพราะว่านี้เป็นเรื่องวิญญาณที่คงจะต้องพูดกันตอนที่20แล้วมั้งเนี่ยให้ทุกผู้ฟังค่อยทำความเข้าใจเรื่องของภาษาไว้อย่างนี้ก่อนทีนี้อีกนิดนึงก่อนที่จะพูดถึงเรื่องภาษาให้มันจบก็คือว่าภาษาเนี่ยถ้าเราไม่มีหูสมมติคนหูหนวกหรือคนตาบอดเนี่ยถามว่าเขาจะเห็นภาพหรือว่าได้ยินเสียงได้ไหม คนหูหนวกเนี่ยนะถามว่าเขาจะรับรู้เสียงได้ไหมถ้ามีสัญญาณเสียงมาเขาจะรับรู้ไม่ได้แต่เขาจะรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนได้เขาพอที่จะใช้กายเนี่ยในการจะรับรู้ถึงว่าเอ๊ะนี่มันมีเสียงนะแล้ลมเนี่ยลมมันพัดเนี่ยมันน่าจะมีเสียงลมนะแต่เขารู้สึกถึงสัมผัสของทางกายของเขาใช่เพราะนั้นถ้าหูเขาไม่มีเนี่ยหรือตาเขาไม่เห็นรูปเนี่ยเอาคนตาบอดเนี่ย นักวิทยาศาสตร์เขาคือการทําการทดสอบคนตาบอดเนี่ยไปยืนอยู่ใกล้ ๆ, ๆกําแพงห่างกันประมาณนิ้วหนึ่งกําแพงทาสีแดงกับกำแพงทาสีขาวเนี่ยคนตาบอดสามารถบอกได้นะว่ากําแพงมันสีไม่เหมือนกันท<อ>ั้งทั้งที่เขาไม่มีตาเพราะเขา<อ>รับรู้ถึงสัมผัสของอุณหภูมิที่มันออกมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการที่ผัสสะตรงเนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญว่าไอ้คุณไม่มีตาคุณไม่มีหูแต่คุณก็สามารถรู้ว่ามันสีอะไรหรือว่ารับรู้เสียงได้ถึงแม้จะไม่คมชัดเท่าคนที่มีตากับคนที่มีหู <C AP> เพราะฉั้นตรงนี้จึงเป็นจุดที่เรียกว่าอ๋อผัสสะมันก็มีอนะอ่าผัสสะมันก็ ม, มีมีการชดเชยกันอได้บ้างเล็กน้อยเล็กน้อย <C AP> เพราะฉั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าอินรียไงอินซีเนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่ครับ <C AP> ตาก็เป็นเป็นใหญ่ในรูปถ้า <C AP> คุณต้องการจะเห็นรูปจริงๆคุณต้องมีตาแต่คุณใช้ผิวหนังในการสัมผัสดูรูปได้ไหมก็พอได้แต่จะไม่คมชัดเท่าตาครับอื ซึ่งตรงนี้ก็บางคนอาจจะมีข้อโต้เถียงไงว่าเอ๊ะอายตนะต่างๆอาจจะทำงานชดเชยแทนกันได้ก็ขอให้ทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละอ๋อเช่นคนตาบอดก็ใช้มือในการคลำรับสัมผัสแทน้ใช่ครับเขาก็พอจะ figure out ได้ว่าเอออันนี้มันอะไรอันนี้มีคีย์บอร์ดอันนี้มันหนังสือพอจับได้อย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่สมบูรณ์แบบเท่าคนที่มีตาเห็นนะถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องของผัสสะอายตนะ แล้วก็มาถึงความรู้สึกเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเราเจอกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะอ่าไปห้างสรรพสินค้าเห็นของมากมายมีสัมปัตตางตาครับก็มีความชอบความไม่ชอบเกิดขึ้นทันทีครับก็คือเกิดภาษะปิงก็จะเกิดเวทนาตามมาใช่เพราะนั้นมันง่ายๆอย่างนี้เองเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นครับ อย่างนี้เราตัวตัวเวทนาตัวภาษะมันจะอยู่เขาเรียกเป็นช่วงกลางๆใช่ไหมครับในในในของที่ไล่มาสายของปฏิจจสมุปบาทอ่าสิบสองขั้นตอนใช่ไหมครับใช่ซึ่งซึงตรงนี้ถ้าหมอรัตพงศ์บอกว่าไล่มาสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถามว่าคนที่เขาเป็นโสตบันเนี่ยนะหมอรัตพงศ์เขาจะไม่ได้ต้องเข้าใจว่าคุณต้องไล่อะไรมาอย่างไงนะอไต้องบอกอีกทีหนึ่งว่าครับเขาก็แค่เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผล อก็เข้าใจเนาะเข้าใจความเป็นเหตุผลว่าเป็นคู่คู่สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอืคําถ้าไปหาในพระไตรปิฎกไปหาเลยสายปฏิจจสมุปบาทไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดคําว่าสายปฏิจจสมุปบาทไม่เคยพูดอืครับครับไม่ใช่พุทธวจนะสายปฏิจจสมุปบาทนะแต่อาการที่พระพุทธเจ้าอธิบายธรรมะมันต้องครบถ้วนไงเข้าใจไหม ก็่ะมีสมุบัติที่ไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่อวิชาก็มีนะมาเริ่มต้นตรงตันหาก็มีมาเริ่มต้นตรงเวทนาก็มีทีนี้เราจะหยิบเรื่องเวทนามาพูดก่อนเพราะว่ามันเห็นได้ชัดเห็นเชัดเจนรเราไม่จะเป็นนอเออกตรงไหนมาเริ่มก่อนหรอกอมอไม่ไม่ใช่ว่าจะเกิดุสิบสองอันครบไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะท่อนใดท่อนหนึ่งหรือว่าตอนใดตอนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วจบไปเลยอ่ามีเหตุ ไม่เกิดเหตุจบไม่ใช่ว่า<ม>ตอนใดตอนหนึ่งหรือท่อนใดท่อนหนึ่งคู่ใดคู่หนึ่งค้คู่ใดคู่หนึ่ ง, งแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วคู่<อ>นี้แล้วจบไปแล้วคุณต้องการดูอะไรคุณต้องการดูความแก่ใช่ไหมอ่ะมันก็มีความเกิดจบไปแล้วครับอ่ะ ค, คุณต้องการดูอะไรคุณต้องการดูตระหนักใช่ไหมอ๋อมีจากเวทย์นะจบไปแล้วเวทยนะจบแล้วอ๋อคือเป็นคู่คแล้วจบไปคู่คู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนครับครับครับเข้าใจง่ายกว่านะครับผมว่าปฏิเสธสมุบัติไม่ใช่สายแต่เป็นคู่ เป็นสิ่งของสองสิ่งที่ต้องอาศัยกันและการเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะให้เข้าใจแค่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเพราะความดับของสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงดับไปแค่นี้เองเป็นคู่สิ่งนี้กับสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าเป็นสายเนี่ยมันจะงงมันจะพันกันอิลุงตรงนางเหมือนกับหญ้าปปะชะรากรากของหญ้ารากรากไผ่เนี่ยโอ้โหพันกันมั่วเลยเราไม่รู้ว่าเส้นไหนไปเส้นไหนหรอก เราะเราไม่ต้องเราไม่ต้องเข้าใจเป็นสายเราให้เข้าใจเป็นคู่เป็นคู่เป็นทีละสองจุดไอ้นี่มันมีเหตุมาจากอะไรแค่นี้เองครับอันนี้มีอะไรเป็นเหตุจึงเกิดอย่างนี้ก็จะเข้าใจได้ครับเพราะฉะนั้นตอนต่อไปเนี่ยจะมาอธิบายในรายละเอียดของแต่ละจุดแต่ละจุดคู่ครับครับวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของผัสสะได้พูดถึงเรื่องของความรู้สึกคือเบตนาสัมผัสคือผัสสะความรู้สึกคือเบทนาที่เกิดขึ้นในจิตของเรา ก็เพราะว่ามันมีเหตุนั่นเองเพราะนั้นพอเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยคนที่เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเข้าใจในเรื่องของอรยะยาวยธรรมเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของความเป็นโสดาบันครับใช่ครับวันนี้ก็คิดว่าถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรให้ส่งมาส่งมาที่ www.pilthama.com นะครับที่เดิมครับส่งมาได้เลยแล้วก็ครับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทหรือว่าเรื่องอื่นๆซึ่งเป็น จะใกล้เคียงหรือว่าเรื่องที่ผ่านมาหรือเรื่องที่คิดว่าเออยังติดค้างคาใจนะครับคใช่ใช่ใชก็คิดว่าเห็นเหมาะสมแก่เวลาแหละถ้าถ้าอย้างไเราก็มาต่อตอนต่อไปในเรื่องของพิจายสมุบาทครับจะค่อยๆเข้าใจว่าอาจจะมากกว่าสองตอนนะครับท่านอาจารย์ใช่ใช่ก็ค่อยๆทำค่อยไปครับครับครับวันนี้ก็ครับ อานวัตการขอบพระคุณพระอาจารย์ไปบูร์อภิพุณโนแห่งวัดป่าดอนไห่โศนะครับรรครับเจริฟารัแล้วก็ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปด้วเวลาเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ